มาลักบอมาลักบอลฮะน้อไม่ตักบาตรตยลูกก็บร้านเราขอเท่อพี่เก้าละลูก ลืมมือด้านใดก็ด้เห็นว่มิทย์เกยกับเห็นหน้าตัวท า, ทานพระประธานตามข้างนั่นที่บูชางมืออดัดไม้มาบูชาเป็นบาทรนะตางันา์ใครไม่ได้มาบูชาเป็นบาท มีนาพร้อมกัน อาหอาัมมาสมุโธขาวะังวตังอภิวาสสะะัโมอมนมสสามสุภัน ลมถ้าเห็นลมก็เห็นใจถ้าเห็นใจก็เห็นบุญ น, นั่นมาวัดมาทำบุญไม่ใช่เอาของมาให้พระอยู่ดูลมเข้าลมออกกันา ลกมาเส็จแรากลับสามทางอืมในทางล้วก็หนจานณาทางพระสงฆ์มาฟังต้งจริงพูดไม่นานเพราะว่าเวลาจำกัดปกติอยู่ที่โน่นเก้าโมงทีนี่ก็สิบโมงเวลาจะฉันเวลาน้อย อา <c oughs> <ate> จารย์ประกาศประเด็นตัว อ, อีกอยากก็ไม่ต้องพูดมากหรอกพูดมากสินขาดพูดน้อยค่อยดีจากให้เข้าใจไปวัดทําบุญเข้าใจไหมถ้าเราไม่ทําบุญเราก็โกหกคนอื่นโกหกตนเองอีกครูบาอาจารย์เจ้าจงในมณฑปพ า, าทําบุญถ้าหลวงพ่อไม่พาทําบุญหลวงพ่อจะเป็นบาปอีกกรรมละไม่มีในโลกเข้าใจไหม โกหกคนอื่นได้แต่โกหกตนเองโกหกไปได้ว่าไปทําบุญไม่ทําบุญจะทำอะไรคือทูตผีเตียนผู้ชาดอกไม้เป็นบาปเลยนะทำอะไรคำหนึงถึงความได้อยาคํานึงถึงความเสียนะะเจ้าลิศสรู้มาสอนคนเราเป็นคนแมห่หล่ะทําไมไม่เชื่อพระเจ้าไปตัดเขามาจะตาชั้นไตชั้นที่เป็นโลกตักวชนเป็นอดอกสักพันอีกเทั้นจะเป็นโลก ไม่น ม, มีม่หุทิยดเลยไม่ได้ยินนะมีแต่หัว ก, กิเลสมีแต่หัว ก, กระท ะ, ะไม่รู้ไป่ตัดเขามาทําไมดอกหนึ่งกี่บาทก็ไม่รู้มันเสียเสียแนวทางของคุณเจ้าสอนเอานิวาา้วมือเราว่าเราึุกจีบกุยชามาทําไมเอาดอกไม้มาเดกไว้ปเรากดน้ำไปใส่ไหมเพราะว่าประเทศไทยนะยก สอาวันยุงไปไข่ใส่ต่อคนได้บุือได้บาปเหรอเนี่เสีย<ม>แล้วใช่ไหมอีกคนเหนือมาเอ๊ะคือห้ามแต่เอาดองหน่มาอีกอเที่ยวทั้งเบิ่อทั้งหลายมันสิคําโนตะกัวปกวกักหวานกิสาคําทั้งรู้จักหน่อยภาษาอีสานถ้าคนหนึ่งตรงมาว่าเลยอีกคนหนึ่งไปหาเก็บดองไห้หาสูกหาเทียนที่ไหนก็ไม่รู้เมื่อไหรจะถึงเมื่อไหร่จะถึงสวรสด์เหร เห็นไหมสวรรค์เมื่อกี้อาหารใจในตัวของเรามี็นกายกับใจปุ้ยพอข้ต้มขนมนิดหนึ่งยุ่งคนเราชอบจุ้งนั่นสำหรับร่างกายนุ่งจุ้งในทางกายโยนนิสโธดินดาก็ะตัอาหารในทางกายโยนีิสโธกีวลังเครื่องมุ่งห่มในทางกายโยนนิชาจันเสนนาสนะในทางกายโยนทิรณะปฏิยาไมีจุติอย่างสำหรับเรื่องร่างกาย ร่ากาไม่ใช่ของเราของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายพูดทุกวันแต่ไม่เห็นเหรอใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ดูไม่แต่งไม่รักษาเห็นใจเห็นสวรรค์เห็นบุญนั่นดีงง่ายไม่ทํำจะทําแต่เรื่องยุ่งยากรางกายใส่นิดน้อยะก็ไม่ยอมตพระเจ้าไม่ให้พัดสงรับอาหารเกินขอบปากบาทนั่น อย่างมากไม่ให้เกินนะแต่ทุกวันนี้ขนใส่ขนใส่เอารถเอาล่อใส่ย่ามสองสามย่ามเต็มหมดถ้าคุทธบริษัทสีลรักษาพุทธศาสนาช่วยพระสงฆ์ช่วยพระสงฆ์าเกียรติถ้าอาหารในบัตรพอฉันน้องปูนิมวันกับวัานั่นถูกต้องทําต่ถูกใจนิมวน้องปูเอาย่ามมาด้วยนิมวนน้องปูเอาแขงมาด้วยนิมว่นงปูใส่รถมาด้วยไปทางลกไปเส จ้อห้ามไว้เด็ขาดนะแต่ละของมาเตื้อเตื้อเดนข้าวผักเส้นมันแพงว่าจะได้เป็นเมล็ดข้าวขึ้นมาด้วนี่เราไม่คิดหรอกเพราะไม่ได้ทำนาแต่ได้หลวงทำให้ทำให้ทำให้อาหารก็ทำไม่เป็นได้หลวงทำให้ทำให้เวลาบีรจิมระโยมบันจีมบรรพไม่ไปเลยผมยุ่งผมยุ่งนะเห็นบ่นี่ฆาทผมเหรอุอานั้นหนแทอ้อซี นี่พูดเรื่องด่ากิเลกนะมันจะเข้าใจไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญยอมมาไร้ทำบุญเจ้าขาสบายท่านประธานยุทธูปยุทเพียนสวายท่านประธานตรวจน้ำยอมนั่นหรือทําบุญน้าราคาแพงก็ด้วยจัดมันใส่ให้ญาติลงดื่มหลวงปู่ไม่มีน้าเอาไปตักตรวจวัดแล้วเด็กดื่มยังล่ะ ทำไมไม่ตรวจหน้าใจน้าใจรันเลกถึงประเทศไทยแคเดียวถึงพ ร, ร, ระกกรมถึงมหามนาแค่เดียวหน้าใจหน้านี่จะจะแจกแจกไม่ก็พังย่อนะเวลาทาบาปไม่ตรวจหน้าทาไมได้บาปึด่าลงไปที่ดาเฟังเสียงพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ให้เชื่อครับกูพูดไม่พูดใ ห, ให้เชื่อให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อพระพุทธเจ้า อย่าไปเชื่อพระสงฆ์อย่าไปเชื่อนักถือตำราอย่าไปเชื่อได้ยินแต่เขาเล่าเรือมาอย่าไปเชื่อที่เขาพาทำมาคนโง่เขาไปเชื่อทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้พาทำมาดุจไม่ดุจทูตเทียนถ้าเป็นผู้เทียนเห็นสวรรค์ในฟานของพ่อไม่ต้องบวดมาหลายทรั้งเชืบอว่าจึงนี้ไม่ใช่เหลือมาครั้งนี้ก็ยังเห็นดูเอาพวกนี้ออกนะมันก็ถูกข้าพุท่เจ้านี่ไปถูกทูกถูกเทีย น, นไปถูกหลองไม่เท่าก่อนเด้ด งานแต่งั่นแต่งบ้าหหหบนหลังล้านนะทุ่วันออกามากคนก็ซื้อมาซื้อมาซื้อมาหลายทั้ทงชั้นทั้งชจั๊บาทเองอยากให้มีปัญญาขาดอย่งเดียวขาดทำสมาธิสิ่สมาธิปัญญาเลยไม่มีความรับรู้นะเลยเอาอะไรก็เชื่อเชื่อพระพูดอะไรก็เชื่อเชื่อหนังสือเขียนมาอะไรก็เชื่อเชื่อข่าวโราิเมอร์เชื่อเชื่ อ, อไปเชื่อมาเน้นข้าเพตุไปตัวถี่กันว่า เพราะอะไรเพราะชื e iers, ่อข่าวต้องลืมมาใช่ไหมอยากให้เน้นหนักภาพกุดนี้โดยเฉพาะพูกตั้งอกตั้งใจมาทําบุญที่วัดพวกที่ถึือศีลมากกว่านก็มีอยากให้เน้นหนักคำว่าศีลศีนบรรศีลบรรพากันษาหนึ่งมีสิบสองวันทําไมรักษาไม่ได้เดือนหนึ่งมีสีข้างรักษาไม่ได้ห่วงอะไรทําไมไม่ยินหรือพระเจ้าหาสิลหาธรรมมาสองคน หรือว่าคผลนิพพานไม่มีไม่มีแล้วเราไม่ดูถ้ารู้ก็เห็นก็รู้ไม่ต้องไปเห็นผลิพพานเพราะเห็นเห็นสวรรค์ก่อนนะอยู่ที่ไหนสวรรค์นในออกนรกในใจไม่ต้องไปขุดหาเราไม่ต้องไปเหาะหาเราหาสวรรค์ขุดหาที่ใจนรกนรกอยู่ที่ไหนร่ำรวยสวยงามสวรรค์อยู่ที่ไหนลมหายใจเข้าออกไม่ได้ซื้อสัก บ, บาทอ่านใจได้ซื้อไหม ลมกอลลมบอกถ้าไม่มีลมใจนี้แล้วขังัานั่งกายว่าโต๊ะกูโต๊ะกูนับไอ่เน่าทุกวันเน่าทุกตอนเหม็นทุกวันเหม็นทุกวันจีบไม่น่านเขาเตาแล้วฆ่าไม่ราคือฆ่ากิเลสอะไรฆเาไม่ใช่ปืนผาหน้าไม่ไม่ดาบนะดาบคือปัญญาฆ่ากิเลสเบือกิเลสไหมกิเลสคือโลกนั่นร่ำรวย นรกตัวร so ่วยคือนรกตัวสวยงามคือนรกเอาคิดดูใจของคนไปอยู่เจ็ดเมืองร่ำรวยนี่แหละคุณต้องพูเงินมโนลาหนังมโนลาอยู่เมืองคูเงินข้าวสีทนตามนางมโนลาเ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจากให้เข้าใจถ้าทำบุญแน่นนะทำบุญมาวัดนะถ้ามาคุยกันเล่นเ้าของมาสงฆ์พระเฉยๆไม่ได้อ่ะอะไรหรอดีเป็นดีบา บกคุให้ใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยใส่เยอะกรเกิดกิเลสเป็าตาเขาแหงไฉด้วยนะคุณกุศลลตนด้วยนที่น้อันตลอดมาทานแต่บาทก็ดีเดมาสวดมนไหว้พระบ่ดีไอ้คำเกาว่าคำคำสั่งสอนของคพระเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลบุญกุศลกันนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธคุณพระสงฆ์กูรรวงคได้เป็นบทบาทมาแล้จะต้องมารวมกัน ยงกวางวางวัตเยงโรงแรมเดินตอยู่เมีแต่ความสุขความเจริญายกจหายจากคุกโศกโรคภัยการทำงานจึงใดกันเงินจึงใดศาสนาิึงหนึ่งอะไรกับงสเร็จยงสาเร็จโดยเฉพาะในหลักคำคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ตมีดวงจิตดวงใจได้เห็นสินเห็นธรรมในภพชาตินี่เก